ตัวสวัสดีค่ะท่านผู้คร FM ครอบครัวข่าวข่าวดิฉันสรรณีนาคพงศ์ดําเนินรายการพบ คำสอนนะคะของๆเอา ที่จะนําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านค่ะจบบาล อุปสรรคในการดําเนินชีวิตค่ะอืมท่านไปด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นๆแต่ที่ จิตเราเป็นดวงวงเป็นสมาธิน่ะอุปสรรคต่างๆมีแน่นอนเอ่อนะ ฉันจะได้น่าจะได้ความสุขได้ถ้าไม่กลับได้ นะตรงนี้อย่างอย่างสวยงามมากนะเปรียบเทียบที่ 1 นะที่เวลากินเข้าไป อันนี้คืออันที่ 1 อันเปเป 2 เปรียบนะเหล้านี่ที่ข้างในมันเจือด้วยยา 2 เหล้าที่เจืออยู่ด้วยยาพิษถ้าเจ้าน้ําขมน้ําเต้าขมแล้วก็เจือด้วยยา 4 ก็ ในไส้ในคน 5 รสชาติก็หวานหลายๆอย่างได้นะ 4 อย่างตรงนี้นะเปรียบเทียบกับอะไรไหน ได้มีความสุขนะคุณทํากรรมชั่วแล้วคุณมีความสุขอันนี้เปรียบเสมือนดื่มเหล้าที่ผสม ดื่มยาดอกน้ำมูดเหม็นก็คือทำความดีนั่นแหละ 5 นั้นใน นะซึ่งไอ้กรณีที่ 3 ที่พูดถึงตรงที่กินยาดอกน้ํามูดเน่าเนี่ยก็คือตัวอย่างที่ท่านยกมานะว่าบาง ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนนะคะเอ่อเรื่องของความอดทนเนี่ยพระศาสดาเค้ายกว่าค่ะเอ่อสาวกในคือกันติกสระจะนะจะไม่มีความงด ปัญหาอุปสรรคหรือบางทีไม่ไม่พูดว่าเป็นเรื่องปัญหาอุปสรรคๆมันก็อาจๆก็จะ ก็ให้กําลังใจนะคะใช่ให้กําลังใจตัวเองด้วยค่ะเอ่ออุปสรรคตรงนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วถ้าเราแก้ได้ ได้พบหลายคนโอแต่ว่าเราได้พบเลยว่าอืมอันนี้ก็ สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับว่าเอ่อเราจะละเอ่อความตระหนี่เนี่ยเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้นะค่ะการให้เนี่ยที Mm hmm. มีความทุกข์กับสมาชิกในบ้านในชอบให้คือไม่ได้เป็นคนหาแต่ชอบให้อืมนะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสัตว์บุรุษ ก็มีหลักการเอาไว้พิจารณาก็แล้วกันนะเพราะนั่นอาจจะไม่ทําให้ให้แล้วเป็นการลดการตรนิ่ง แล้วในทางชื่อเสียงณคุณงามความดีโดยโรคภัย มันมีโรคทางใจกลุ่มรุมอยู่ตลอดเวลานะต้องรักษาตรงนี้ๆโดยวิธีอันไม่ชอบเป็นการได้ค่ะพระ อันนี้สมเด็จพระสังฆราชตรัสไว้นะคะพระพุทธองค์ทรงเนี่ยได้เคย นะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่ง จะมีค่าค่ะค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะนี่ก็เป็นการมีผู้รวบรวม สิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงประฤติปฏิบัติในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จ เหมือนกันไปสวดศพมันไปก็เอ่อได้ฟังพระสวดในบทพื้นๆที่เราได้บทอนิจจวตสังขารานี่บทอะไรนะค่ะก็อ๋อเค้าเรียกว่าบท นบังสกลเป็นมรรคสกลตายค่ะทีนี้มีบทนึงค่ะอ๋อใช่ๆอ๋อบทอะไรคะ แล้วก็ได้สรุปเป็นเรื่องที่ว่าไม่มีประโยชน์ด้วยความเศร้าโศกใดๆนะพอไม่มีประโยชน์แล้วเรา ถ้าพวกเราแล้วดิฉันเอ่อรู้สึกดีมากในแง่ที่ว่าอ่าบางแปลใช่มั้ยคะอืมๆหรือว่าบางวัด ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านไปวัดท่าน สำหรับสัปดาห์นี้เป็นการถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะคะ เชิญมา